สำหรับท่านั่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสังโพธิ่ยานคือท่าขัดสมาธิเพชรหรือขัดสมาธิสองชั้นโบราณเรียกว่าท่านั่งดอกบัวพระเซนในญี่ปุ่นหรือนักกรรมฐานในอินเดียนิยมใช้ท่าดอกบัวนี้มากการนั่งแบบดอกบัวนั้น ให้เหยียดขาทั้งสองออกไปก่อนยกเท้าขวาเข้ามาวางบนต้นขาซ้ายแนบกับท้องและยกขาซ้ายขัดเข้ามาวางบนต้นขาขวาให้แนบกับท้องเหมือนกันลักษณะมั่นคงเป็นสองชั้นคล้ายดอกบัวเ้าฝึกนั่งมากๆจนเคยชินและสามารถนั่งได้นานๆแล้ว ท่านี้จะเป็นท่าที่ดีที่สุดแต่ไม่ว่าจะนั่งท่าไหนก็ตามข้อสําคัญอยู่ที่ว่านั่งสบายตั้งกายให้ได้ตรงมั่นคงและนั่งได้นานโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทรงตัวมากนะักทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีความรู้สึกกังวลทางกายเพราะการปฏิบัติงานทางจิตในสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน เป็นงานที่ละเอียดสุขุมบางครั้งอาจจะเข้าลักษณะมีกายแต่รู้สึกเหมือนไม่มีให้พยายามฝึกปฏิบัติกันมากๆไม่ให้มีความกังวลต่อการนั่งนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆสุดสุด ยืดตัวแล้วก็ปล่อยทําอยู่อย่างนี้สองถึงสามสมถึงสี่ครั้งแล้วค่อยๆปล่อยหายใจสบายๆธรรมดาธรรมดารู้กายนั่งรู้ลงหายใจเข้าลงหายใจออกทําใจให้เรียบร้อยรู้ความรู้สึกเป็นปกติ นั่งสบายๆหายใจสบายๆนั่นแหละดีและถูกต้องหายใจสบายหายใจเข้าก็เบาสบายหายใจออกก็เบาสบายไม่ต้องตั้งใจกำหนดลงไปที่ไหนให้กำหนดเบาๆสบายๆก่อนนั่งสบายนั่งเฉยๆลมหายใจปรากฏอยู่ กำหนดเบาๆระลึกรู้อยู่เฉยๆหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายถ้าคิดออกไปเรื่องอื่นพอรู้ตัวให้รีบกลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าคิดอะไรมากไปหน่อยให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกสบายๆายหายใจเข้าลึกๆหน่อย หายใจออกปล่อยสบายๆสามถึงสี่ครั้งแล้วปล่อยตามปกติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าง่วงนอนให้ลืมตาให้มีสติในการนั่งทรงตัวในการนั่งเรียบร้อยให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการนั่ง ให้มีเจตนาในการหายใจเข้าลึกๆหน่อยหายใจออกปล่อยตามธรรมชาติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆช่วยทำให้เพิ่มกำลังนั่งได้ตรงตื่นตัวตื่นใจขับไล่ความง่วงนอนความขี้เกียจออกไปได้ถ้ามีพลังมากไป กายร้อนใจร้อนตื่นเต้นหายใจออกยาวๆหน่อยหายใจเข้าปล่อยตามปกติให้มีเจตนาในการหายใจออกยาวๆหน่อยหายใจเข้าปล่อยตามสบายหายใจออกยาวๆสบายๆหายใจเข้าสบายๆกำหนดรู้ลมหายใจออกสบายลมหายใจเข้าสบาย รักษาจิตให้เป็นปกติรักษาความรู้สึกเป็นปกติหลับตาหรือลืมตาโดยมากเราทั้งหลายมักเข้าใจกันว่าการนั่งสมาธิคือการนั่งหลับตาแต่ถ้าเราสังเกตดูพระพุทธรูปมีองค์ไหนบ้างที่นั่งหลับตาส่วนใหญ่แล้วพระพุทธรูปจะอยู่ในท่านั่งแล้วลืมตาเล็กน้อยใช่ไหม สำหรับพระในนิกายเซนที่ประเทศญี่ปุน่นเวลานั่งสมาธิท่านจะห้ามหลับตาเวลานั่งสมาธิหลับตาอาจจะรู้สึกสงบและสบายก็จริงแต่นิวรมักเข้ามาครอบงำจิตได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความง่วงเหงาหานอนหรือถีนมิทะนิวรถ้าลืมตาให้มีแสงสว่างเข้าตาอยู่ตลอด จะสังเกตและจับความง่วงนอนได้ง่ายและจัดการขับไล่ได้สะดวกแต่หากมั่นใจว่าไม่ง่วงเหงาหานอนแน่ๆจะหลับตาก็ได้เหมือนกันที่สุดของการทำสมาธิคือไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้สึกอย่างไรก็ตามทำจิตให้ตั้งมั่น เป็นสมาธินั่นแหละอิรยาบทนอนนอนกำหนดอนาปานสติเราสามารถฝึกอนาปานสติในอิรยาบทนอนได้อย่างง่ายๆสบายสบายโดยการนอนง า, ายสบายธรรมดาธรรมดา อิริยบทคลายการยืนวางแขนลงข้างลำตัวฝ่ามืองายขึ้นห่างจากกายพอสมควรประมาณหนึ่งถึงสองคืบนอนเหยียดสบายๆเหมือนคนตายที่ไม่รับรู้อะไรหากเราคุ้นเคยกับการนอนตะแคงก็สามารถทำได้เช่นกันจากนั้น ให้สำรวจร่างกายทั้งหมดโดยเริ่มจากปลายเท้าขึ้นมาผ่นคลายกล้ามเนื้อของร่างกายทุกส่วนไม่ให้มีกล้ามเนื้อส่วนใดเกร็งอยู่เลยจนกระทั่งมีความรู้สึกตัวเบาเหมือนสัมฤทธิเวลาหายใจเข้าหายใจออกให้กำหนดความรู้สึกเหมือนกับว่าหายใจเข้าหายใจออก ทางเท้าเมื่อหายใจออกให้กวาดเอาความรู้สึกที่ไม่ดีความเครียดความกังวลความรู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายทั้งทางกายและทางใจออกไปจากร่างกายให้หมดโดยหายใจให้ไกลออกไปจากเท้าหลายเม็ดก็ได้เมื่อหายใจเข้าตั้งสติไว้ที่เท้า ให้ความรู้สึกสะอาดบริสุทธิ์ผ่านเข้ามาทางร่างกายจนถึงใบหน้าและจมูกสุขภาพของใจจะดีขึ้นและทำให้อายุยืนได้ด้วยพร้อมๆกันหายใจทางเท้าจะทำให้อายุยืนการหายใจทางเท้าถ้าทำได้จำนานเป็นปกติสบายๆแล้วลมหายใจจะค่อนข้างยาวขึ้น สถึงามเท่าปกติคนทั่วไปหายใจสิบเจ็ดครั้งต่อหนึ่งนาทีผู้ที่หายใจทางเท้าได้เป็นปกติจะหายใจได้ถึงห้าหครั้งต่อนาทีหายใจยาวนี้ช่วยทำให้จิตสงบร่างกายก็สงบปล่อยวางร่างกายได้ธาตุดินน้ำลมไฟจะสามัคคีกัน โรคเกิดจากอุปทานทางการแพทย์ได้วิจัยว่าโรคต่างๆที่เราประสบอยู่ในโลกนี้ประมาณหนึ่งในสาเกิดจากความเครียดความโกรธอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในโรคภัยต่างๆในความคิดที่เป็นฝ่ายทุกข์ก็ดีมีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายมากจิตอุปทาน นั้นจะเกียดกั้นระบบการทำงานของร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆถ้ามีโรคอยู่แล้วจะทำให้แย่ลงไปอีกถ้าไม่มีโรคก็ทำให้เกิดโรคได้พระองค์หนึ่งเข้าห้องกรรมฐานปิดวาจาอย่างพวกเรานี้นานหลายเดือนไม่ต้องไปบินขบาทพระ เนนจัดอาหารอามาถวายที่กุฏิไม่มีน้ำร้อนน้ำปานะรอบๆกุฏิเอาจีวรเก่าๆทำเป็นม่านปิดไว้ไม่ให้คนอื่นดูท่านท่านไม่ต้องมองข้างนอกมองดูแต่กายเวทนาจิตธรรมของตนปฏิบัติกำหนดช้าๆพระองค์นี้ท่านเป็นโรคกระเพาะ เจ็บท้องเป็นเดือนๆือนวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่กงบลเจ็บท้องภาวนาก็ไม่ขึ้นเมื่อออกพรรษาก็ออกจากกุฏิเดือนหนึ่งผ่านไปนึกขึ้นมาได้ว่าโรคกระเพาะหายไปทั้งที่ยังไม่ได้รักษาลืมไปไม่ได้นึกถึงทั้งที่เคยเจ็บท้องเกือบทั้งวันเป็นหลายเดือนทีเดียว ครั้งนี้เพราะเมื่ออยู่ในห้องเฉยๆจิตมีแต่อุปทานเรื่องโรคกระเพาะคิดแต่ว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอยู่อย่างนั้นโยมคนหนึ่งบอกว่าเมื่อถึงช่วงใกล้สอบลูกสาวจะถ่ายเป็นเลือดความเครียดมาลงกระเพาะจนกระเพาะทะลุคนเรานี้มันแปลกอยู่ดีๆก็อยากจะไม่สบายเพราะไม่อยากไปโรงเรียนก็มี ไม่อยากไปทำงานก็มีมีความรู้สึกผิดปกติอะไรนิดหน่อยก็ยึดมั่นถือมั่นจนให้สบายไปจริงๆก็มีคนบางคนทาร้ายร่างกายของตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจความเห็นใจความรักจากคนอื่นก็มีการหายใจทางเท้าหายใจเข้าออกยาวๆอย่างถูกวิธี คือให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่มากพอถ่ายเทอากาศเสียออกจากร่างกายได้เต็มที่ทำให้เรามีสุขภาพดีมีอายุยืน นิวรห้าคบคนพานพานพาใจไม่สงบตลอดเวลาที่เราฝึกอนาปานสติให้เราพยายามตั้งตัวตั้งสติโอปนญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเพื่อให้อยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราพยายามสร้างความพอใจให้อยู่กับกายให้อยู่กับลมหายใจนี้ พยายามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและพยายามไม่ให้จิตนี้คิดออกไปภายนอกคือไม่ส่งจิตออกนอกเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความรู้สึกไม่สงบแสดงว่าเพื่อนเก่าแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนเราแล้วเพื่อนกลุ่มนี้มีชื่อว่านิวอนห้าซึ่งก็คือความไม่สงบ คำเดียวนี่แหละนิวร5ห้ามีอะไรบ้างกร้ามฉันทะความคิดชอบใจพอใจรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทความคิดที่จะทะเลาะกันความขัดเคืองแค้นใจไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้น ความคิดปองร้ายอาฆาตพยาบาททินมิทะความหดหูเสื่องซึมง่วงเหงาหานอนความขี้เกียจขี้คร้านอุทจักกุกุ จ, จกักความคิดฟุ้งซ่านความรำคาญใจคิดไปสารพัดอย่างวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ เพราะทําไปได้นิดหน่อยก็เกิดความสงสัยขึ้นมานิวรณ์ทั้งห้านี้เป็นสิ่งกีดขวางความดีความงามไม่ให้เกิดขึ้นในตัวเราเมื่อเราจะทําอะไรที่เป็นกุศลก็จะมีพวกนี้เข้ามาขวางไม่ให้เราทําความดีเมื่อเรามีสติสังเกตดูจิตเราอย่างละเอียดดีแล้วเราจะพบว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ เปรียบเหมือนเพื่อนคนหนึ่งของเราและในแต่ละวันนิวรณ์อาจเกิดขึ้นเป็นพันๆเหมือนๆครั้งเท่ากับว่าเราได้คบคนพานคบเพื่อนที่ไม่ดีเป็นพันเป็นหมื่นคนแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนสนิทสนมกับเรามานานสำหรับปุถุชนคนธรรมดาแล้วนิวรณ์ทั้งหลายเป็นเพื่อนที่ดี เป็นเพื่อนคลุกคลีพาสนุกสนานเฮฮาสารพัดตลอดเวลาเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วได้รู้จักเพื่อนใหม่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวเราเองนี่แหละเราพยายามเจริญสติแล้วก็โยนิโสมนานสิการ คือรู้จักคิดอย่างถูกต้องตามธรรมะรู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะตรวจ ด, ดูว่าเรามีความพอใจที่จะอยู่กับกาลยานมิตนี้ไหมเราต้องถามจิตใจของเราดูว่าเราอยากจะเป็นคนดีจริงๆไหมเราต้องการความสุขความเจริญจริงๆไหมโดยอาศัยสติมาตรวจ ด, ดู เมื่อมีสติแล้วธรรมวิจยะคือการพิจารณาธรรมะจะเกิดขึ้นและเกิดปัญญาวินิจฉัยได้ว่านิวรณ์ทั้งห้านี้เป็นตัวทุกข์หากเรายินดีพอใจที่จะคิดไปตามนิวรณจะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดทุกข์กับตัวเรามากขึ้นนิวรณทั้งหมดเป็นเหมือนเพื่อนเก่าๆที่เราครบอยู่ประจำ เราเคยพอใจคลุกคลีอยู่กับเพื่อนเก่าเหล่านี้แต่เมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้ไม่น่าคบถึงเขาจะมาเยี่ยมเราเราเฉยเสียไม่ต้องใส่ใจถ้าจะเปรียบก็คือเหมือนแขกที่เราไม่ชอบมาเยี่ยมเราเราไม่ต้องต้อนรับและไม่แสดงความรังเกียจพยายามทาเฉยเฉย เหมือนกับนีทุระไม่มีเวลาว่างที่จะเอาใจใส่แล้วในที่สุดเขาจะไปเองแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยเราต้องคอยระวังเหมือนกันไม่ว่าเขาจะชวนเราไปไหนชวนเราทำอะไรเราต้องทำตัวเหมือนคนไม่มีเวลาทำตัวเฉยเฉยอย่าไปด่าว่าเขาถ้าเราไปด่าเขา ประเดี๋ยวเขาจะด่าคืนถ้าเราแสดงความยินดีต้อนรับเขาจะติดใจไม่ยอมไปเสียทีถ้าจิตนี้มีความพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนอยู่กับกาลยานามิตรนิวร์จะตั้งอยู่ไม่ได้ที่เรามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะเอาความสุขเดี๋ยวนี้วันนี้ หรือว่าละกิเลสได้ภายในสิบวันยี่สิบวันการตั้งเป้าหมายนี้จะทำให้เราสับสนวุ่นวายใจเพราะเมื่อมาปฏิบัติแล้วอาจจะมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ทุกข์มีแต่ทรมานไม่สบายเหมือนอยู่ที่บ้านก็เป็นได้เราทำความเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติเพื่อศึกษาตัวเองดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ฟุ้งซ่านไม่สงบหรืออะไรก็ตามไม่ต้องกังวลมากเพราะเราจะรู้สึกอย่างไรนั้นไม่สําคัญขอให้เรารู้ความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เราเป็นอย่างไรเท่านั้นถ้ามีกิเลสต้องดูกิเลสถ้ามีทุกข์ต้องดูทุกข์ถ้าเรามีของสกปรกตกค้างอยู่ มันก็ต้องสกปรกเป็นธรรมดาเราต้องดูของสกปรกก่อนจนกระทั่งเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็จะเกิดปัญญาว่าควรจะทําอะไรต่อไปดังนั้นขอให้เราดูกายดูวาจาดูจิตด้วยการปฏิบัติธรรมจเจริญสติสมาธิจนกระทั่งในที่สุดเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยคิดดีพูดดีทำดีให้ผลเป็นความสุขความสงบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนไม่สงบ